รังสามกันนะ้องมีผู้พู ด, พดมีผู้ฟังรังสามตามกาลตามเวลาเป็นวงคนมอันสูงสุดสนธนาธรรมสอบถามอะไรที่มีความข้องใจทิตวิาชฉะกัดฉามีผู้ถามมีผู้ตอบ ก็เป็นมงคอันสูงสุดไม่คร อ, องสงสัยหลังเรื่องดในโลกนี้มันมีคนสองคนคือครูกับอาจารย์มีครูครกับลูกศิษย์คูกับศิษย์มีคนสองคนคูนี่ศิษย์ อาจารย์ลูกศิกษย์อย่าถึงว่าเราอยู่เดียวเกียวไดแล้วก็มีครูมาแล้วพ่อแม่เป็นครูคนแรกของโลกสองสอนเรามาก็ยิ่งมีคัวอาจารย์อีกที่ให้หนังผ้ามสอนให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรต่างๆ พระพุทธเจ้าเป็นบรมมกูฏของเราเป็นศิษฐ์ที่มีครูอย่าถึงว่าเราเก่งที่สุดให้เราหรือว่าเราเป็นศิษฐ์ที่ต้องมีครูบอกผิดบอกถูกเราจึงต้องปฏิเสธไม่ได้เรื่องนี้ ยาโคตคนเดียวยาทุกคนเดียวยาทุก็อยากไปทุกอมทุกคนเดียวยาโกะก็อยากโกะคนเดียว ย, า, ย, วยาตัดสินคนเดียวคิดหาครูบ้างครูเคยสอนเรื่องใดเอามาทาดูบ้างเอามาฝึกดูบ้างวาาบวูของเราคือพระเจ้า เราเคยได้ยินในฝังไก ร, ร, ร์วทพระไกดสวดมนต์ไสม์ชานศีน้นอย่างที่เราฟังเมื่อกี้นี่เทวดามนุษย์ทั้งหลายลกระทำทูลถามพระเจ้าจะทำไงจึงจะเป็นมงคลอันสูงสุดแต่พวกเทวดาและมนุษย์ เพราะพวกเทวดามนุษย์นี่ไม่มีเวลาศึกษาไม่แต่ประกอบการงานอาชีพหกครองบ้านเมืองพระเจ้าจึงแสดงทรรมเป็นมงคลสามที่แปดข้อเราได้ยินเมื่อกี้นี้อย่างครบผลผ่านให้ครบบันฑิตเป็นผ่านในตัวนอกตัว คนผ่านในตัวก็มีความโกรธความโลภความหลงความทุกข์ความเฉาเหยียดเยียนความเศร้าหมองเป็นคนผ่านในตัวเราเพราะอย่าไปพบชิงเหล่านั้นเามันหลงก็อย่าหลงเวลามันโกรธก็อย่าโกรธเียนให้คบบัณฑิตใความหลงเป็นคนผ่านไม่หลงในความหลงเป็นบัณฑิต ลาควาทุกข์ที่เกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นเกิดจิต น, น, น, น, นันเป็นพลานแล้วก็เปลี่ยนความทุกข์เป็ไม่ทุกข์ควบกับบัณฑิตบัณฑิตในตัวคนพลานในตัวเป็นมีกฉาตัวเองให้ได้มทํำตามให้ใหเป็นพระเจ้าบอกแล้วให้เรามาทำไม่ใช่คนพานที่เป็นนายกรนายขอ นนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งต่นนั้นก็ไม่ข้อยจะมีโอกาสพบปันเท่าไรนา น, นอาจจะมีบ้างแต่ว่าคนผ่านในตัวเรานี้อยู่ในกายว่ า, จาใจเรานี้ที่ทำผิดเพื่อกิดชิดผิดให้เป็นทุกข์เป็นโทษอันเีก็คือในตัวเรานี้ ในความหลงมีความไม่หลงคู่กันอยู่มันมีคู่ในตัวเราเนี่มันมีคู่ความชดมีขี้ในความเจอก็มีความไม่เจอในความเจ็บก็มีความไม่เจ็บในความตายก็มีความไม่ตายมันมีคู่อย่างนี้อย่าจนมันมีฝังซ้ายฝังขวา ชรือตของเรานี่ยมีฝัง่งนี่มีฝั่งโน้นฝั่งที่มีน้ําฝั่งที่ไม่มีน้ำพระเจ้าบอกว่าจงมองถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ำอย่าไปมุดอยู่ในเคลงโกรดโลบกลงโศ ก, โกทุกอะไรต่งางๆอยู่ช้าดเตี้ยวเตียนนมันมีน้ําัมุดขึ้นฝั่งซอ สาวที่เปิดข้อพอใชจะจำได้บ้างอะไรตั้งไก่กับเราไม่มีทานจนเลยมีศิละปะวิทยามีศิลป์เวลามันหลงมันหลงมันผิดศิลมีความรู้สักตัวรักษาศิลแล้วเวลาโกรธผิดศิลแล้ว เปลี่ยนเครื่องโกดังมีความรู้จักตัวรักษาศีลแล้วศีลไม่ใช่คำพูดเป็นการปฏิบัติมิเจตนาสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปพูดอย่าไปคิดอย่าไปทำสติเป็นตัวรักษาศีล เป็นที่เจ็บของศีลเป็นรักษาศีลที่เจ็บไว้ไม่ให้หลุดออกไปไม่ใช่คำพูดพูดศีลได้แต่ว่าไม่มีศีลก็มีเรื่องเรื่องเขาเล่าว่านานมาแล้วมีคนกล่ว่าเป็นรักษาศีลสวน บัท่องแปลว่าศินแท้แต่ปานาติปาตาเวลามานีชิกาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้ามิเจตนางดเป้นจากการฆ่าอทินาทานาเวลามานีชิกาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้ามิเจตนางดเป้นจากการถือเสิ่ของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีคนคนหนึ่งเป็นโยมผู้หญิง เรียนไม่ได้เลยสอนเขาสอนก็ใครสอนก็เบื่อไปหาคนนั่นคนนี่ให้สอนนี่ฟาว่าโอ้อ่านไน่งสีอไม่ได้ว่าก็ไม่ได้จาก็ไม่ได้ไม่ได้สักข้อเลยจากคำพูดการเรียนการสอนการจำเลยจำไม่ได้เลยในวันนอะในวันหนึ่งนั่น ก็เลยเชิญก็ไเจ็บผักไอ้หนองที่วัดแต่มีหนองง่ามมีผักตกชวาไปเจ็บผักมาใส่เพนหายเรือลงไปอดีมาช่อนอยู่ตัวหนึ่งโกรดขึ้นลงมาในเรือ่นิยมที่ว่าสินได้เอาไม่พายตีเอาไม้ภายตีเอาไปแฉงใส่เพน คนที่ว่าฉีนไม่ได้ห oh. oh. ้ามเพื่อนโอาหยุดหยุดหยุดอย่าตีอย่าตีเอามือจับป๋าโยนลงน้ำเนี่อะไรใครเป็นผู้มีชินเจตนาที่จะไม่ฆ่านั่นแหละเป็นเศษนะไม่ใช่ว่าได้เพราะการชินมันเป็นการฉันโถถึงไม่ทำให้ผิด ไม่ให้เครเดือดร้อนทั้งกายบาดเจาบใจเราไม่ชิดปัจจุบันช้เขาไม่ปองร้ายไม่ไปบาดไอ้พูดเท็แต่พูดคําหยาบไอ้พูดสอเสียดไอ้พูดเพ้อเจ้อไม่ผิดสินผิดธรรมนี่มันเป็นสินอย่างนี้อาสติที่บันยับยัางชั้นเกียรตก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดต้องฝานสติใช้ก่อน ก็จะไม่ผิดศีลเราจึงหัดให้มีสติการฝึกให้ตใจมีสตินี่เป็นศีลแล้ ว, วชิดไปก็กลับมาวันสุขก็เห็นวันสุขวันทุกข์ก็เห็นวันทุกข์นี่ถือว่ารักษาศีลถ้าศีลบริโุทธิ์ก็เป็นสุขไม่เป็นทุกข์มีศีลก็มีชอบอายในภายนอก ก็มีฉินไม่ฉินเล่าไม่จบปุรไม่ลักไม่ขโมยไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนและคนดดอนื่นเดือดร้อนไม่จ่ไม่พุ่มเฟือพุ่มเพื่อยสิเลนะโพ ก, กสะสมบัตานี่แต่ผู้มีชาติสมบัติสิเล น, นิพุทธิยันติผู้มีฉินก็เป็นนิพพานได้ ใจมันดีไม่มีอะไรที่ทำให้สิตใจชศร้าหมองสินตัวจริงจริงเป็นสติที่รักษาจริงจริงเวลามันหลงให้ลู้สักตัวเวลามันโศกมันทุกขให้ลู้สักตัวเวลาอะไรเกิขึ้นที่การที่จะให้ลู้สักตัว อยากเปนไปตามมันให้เห็นมันเห็นแล้วอยากเข้าไปเป็นกับมันสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นนั่นนี่คือรักษาศีลสมาทานศีลตั้งใจสมาทานคือตั้งใจตั้งใจว่ที่ใดก็สําเร็จเท่ น, นั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งส่ใจดู โดยพากกรรม่านเป็นกระดองที่อยู่ของการปรงหัดเลามันอลไรเกิดขึ้นกับลูกเป็นายทัหวานบานสตินี่มันจะชินกับลูกมันจะพูดก็ลูกมันจะทำก็ลูกรักษาได้คุ้มครองได้นี่สตินี่จุดนนายทัพหวานบานเป็นเฝ้าประตู ที่หาที่มีจตตรีโดยเฉพาะวิชากรรมฐานคู่ฉันเข้าเยียรฉันออกอาเพื่อเจ้าได้อุบัติขึ้นมาในโลกไม่เคยรับสาไม่เคยรับสินกับใครเลยไม่มีใครให้สินเลยจากการฝึกขัดกรรมฐานนั่งคู่ฉันเข้าเยียรฉันออก ชิดถึงเพ็ญภาก็กลับมาชินหลนหมนก็กลับมาคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็กลับมาถ้าห ล, ลานลกาสาสินไม่ปล่อยให้จิตได้มันคิดไปไปย่องไปพงอะไรกลับมาปฏิบัติให้กลับมาลู้สึกตัวผู้แขนเข้าเหยียแขนโน่ไม่เคยสมาทานเสินกับใครเลย ต่อมาจึงมีเกิดขึ้นทีหลังจากผู้ที่มาฟังเทศเมื่อได้ฟังเท ศ, า น, เทศนาโูเจาแล้วเกิดศรัทธาก็สมาานเองจากพุทธังสำนังขฉามาิ้อาพระเจ้าที่อบพรจจะพุรธเจ้าเป็นสรนารณะเอาพระเจ้าจึงพ้นจากทุกข์ทงกขได้ตัมมังสรนังขฉามิ ข้าพเจ้าเที่ยวพมเป็นสุนทรข้าพเจ้าอย่างคนจะทุกต้อ้งควงได้เจติังกับว่าข้าพเจ้าไม่เจตนา่าเป็นจะกขาดข้าข้าพเจ้าไม่เจตนางดเป็นจากเหตุตั้สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจตนาไปเลยงดใจเกิดขึ้นทีหลังไม่หาังคนมี คันตั้งคันอยู่ในคันมีลูกเกิดอยู่หกเดือนในคันก็ยังบอกถึงว่าขา้าแม้จะลูกอยู่ในคันของข้าพเจ้าขอถึงพระรตน์ไตเป็นที่พึ่งแต่แต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตเห็นว่ามันดีมันถูกต้องบอกให้ลูกว่าอยู่ในคันขอถึงพระรัตายไตตลอดชีวิต เกิดศรัทธาอย่างนี้แน่วแน่ยอย่างนี้ลูกเกิดมาแล้วพอสอนหน่อยก็บอกว่าลูกมีพระตันไตแล้วตั้งแต่อายุอยู่ในครรภ์แม่ทั้งหกเดือนลูกก็หันว่าพุทธังสนังอาชามินีเดินมาจากตั้มจยจากเกตันาไม่ใช่ทำกันเล่น โดยเพพาะชีวิตจิตใจของเรานี่มันหัดได้เป็นสัตว์ประเสริฐมันหัดได้รีบหัดก็เวลามันหลงให้รูน้นี่หัดแต่อย่างนี้วันคิดไปไหนก็ให้รู้หัดแต่ น, นี่สอนมันอยู่ทุกอย่างที่มันไม่ใช่ตัวรู้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนนี่ให้สอนอย่างนี้จะได้มีที่พึ่งจะได้มีหลัก มีหลักมีฐานมีที่ตั้งต้องมีหลักยืดเราไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดเขาเจ๋อเขาเจ็บเขาตายทำอย่างานถ้าเราไม่ฝึกไปความไม่เที่ยงก็มีอมยู่ตลอดเวลาความทุกข์ก็จะดงให้เห็นอยู่เอาควไม่เที่ยงเอาความทุก อาความมาชี้ตัวตนมาเป็นทุกข์มีอยู่บางท่าหรือมันบอกว่ามันไม่เที่ยงคปลี่ยทุกข์กับมันก็มีอยู่ทำใจไม่เตือ่นเวลามันเจ็บก็เจ็บเวลามันทุกข์กับทุกข์ไม่ได้ฝึกตนสอนตนก็เป็นคนอาภาพได้ปิดสวรรค์นี่ผ่านได้ถ้าเราไม่หัดทุกข์เป็นทุกข์นี่ หลงเป็นหลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องเด็กน้อยปล่อยให้มันทุกปล่อยให้มันหลงมันไปไกลนะมันบาปแม้แต่นว่าขยับประมาดมันมีมากได้เอาจเหัดให้เคยชินไว้ชนหน่อยเบย่อมืออยู่วัดในช่วงไปดูปริมาตรข้าวัวนสาเสื่อมหัวผกหัด สามเดือนให้ปวกหัดเกินได้สี่วันปึกหั ด, ด, ด, ดจะได้เอาไปใช้ในยามจนก็ไม่เคยหัดมือเปดด้นานถ้าหัดน้ำก็คิดถึงได้เลือดได้แล้วเลึกได้ขึ้นมาอาจจะได้ประโยชน์ตอนนั้นมีค่ามากก่อนนั่น เคยทำอย่างนี้เคยทำอย่างนี้ทั้งคราวมันจนมาก็มีประโยชน์พอรู้จักทิศทางจึงมีความจำเป็นที่เราต้องหาตัวเราเองเพราะว่าชีวิตของเรานี่ถ้าไม่หาตัวมากมายวิ่ดงุงก็ถ้าเราเห็นอยู่เสมอ นอกใจตัวเราก็มีโนอกตัวเราเองทื่ทำให้เราหลงเราทุกข์เราจุกหลังทีก็เอาอันอื่นเอาคิดไปห้อยเฉือนไว้กับสิ่งอื่นให้สิ่งอื่นเป็นจุกให้สิ่งอื่นเป็นทุกข์ก็มีคิดไปเขียนไว้ห้อยไว้ยิ่งเอามาเขียนไว้กับกายกับใจห า, ายใจภายฉุ ก, ก็สุฉทักใจหายทุกโตก็ทุก ก็กายผายให้สุขก็สุข้ากายผ า, กก า, ายผาทุกข์ก็ทุกข์ก็ยิ่งอันตรายให้เห็นมันน่ะวันสุขวันทุกข์ให้เห็นมันมนะ เ, เห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ให้เห็นอย่างนี้หัดว่าอย่างนี้จึงจะหลุดพด้นจึงจะเป็นการได้ประโยชน์ได้ ประโยชน์จากกาจากใจก็เห็นมันแล้วเรียนรู้แล้วนี่คือทุกนี่คือสุขนี่คือโกรดนี่คือหลงนี่คือพอใจไม่พอใจถอนออกมามีสติรู้สึกตัวซะเรียนอะไรที่เหมือนเกิดกับวายกับใจรูจ้สักตัวรู้สึกตัว การเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้มันรู้จากตัวเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมมันจะเจริญงอกงามเข้าหน้าเป็นนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปก็ไม่ต้องฝึกมันเป็นไปเองมนเป็นไปเองวิสิ์ก็เป็นใหญ่ได้มีเสทียรมีเป็นชีวิตที่เป็นธรรมชีวิตที่เป็นธรรม มีแต่ความเป็นถามเกิดขึ้นที่กาลที่ใจเราเนี่เมื่อมีความเป็นถรมเกิดขึ้นที่ตัวเราแล้วก็มีความเป็นธรรมกกิครึ่นต่อคนอื่นจริงหรือวัตถุอื่นต่อโลกต่อคนคนหนึ่งเหมือนพระเจ้าประอวบัตขึ้นเพียงพระองค์เดียวจนมาถึงพวกเราทุกวันนี่ในตัวเราก็มีเครื่องล็ออยู่ มีกายเหมือนกันมีใจเหมือนกันกับผู้ที่เจ้าเป็นสามัญชนเหมือนกันนี่มีสุขมีทุกข์เหมือนกันนีน่เอาเลยเอาเลยอย่าท่อถอยได้ครื่องมือแล้วได้กายได้ใจมาแล้วมีสติแล้วเอาหมาย้ยยกเบื้อขึ้ น, นกัรู่ชิงตัวนั่นแหละ หนโพธิหนพุท ธ, ธะหนพระธรรมหนพระสงฆ์อยู่ที่นั่นปฏิบัติตีอยู่ที่นั่นที่กายที่ใจเราเนี่ยสร้างไว้ให้เหมันเกิดความดีในกายในใจคิดดีพูดดีทำดีละชั่วไม่ทําให้เกิดขึน้นกับตายกับใจเราเราก็จะมีมากขึ้นโดยพึ่งบารมาีโดยที่พึ่งได้ด เราหัดตัวเราอย่างนี้อันนี้ก็เดืนสินดับของเดือนเก้าร็ไปโมทนากับ้าติโยมที่มีศรัทธาตอนกัามาัล้วเแต่เช้ามืดสมัครา น, นสิลนสมัครทานสินได้เวลา